มรดณนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทางหลายสื่อต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของโลกที่ทรงแสดงไว้โดยเนื้อหต่างๆเรื่องของโลกนั้นเมื่อทรงสอนให้สำเนียกศึกษาพึงกำหนดเป็นหลักการก ว, ว้างๆเอาไว้ว่า ไม่ว่าจะใช้ในลักษณะอะไรก็ตามจะเป็นการสอนให้บุคคลเกิดความรู้ความความเข้าใจในความจริงของโลกในแง่ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะรักษาสภาพเดิมของตัวเองไว้ไม่ได้ จะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์คือมีลักษณะเสียดแทง่อให้เกิดความเร้าร้อนขึ้นด้วยประการต่างๆเป็นการเสียดแทงในตัวเองบ้างเป็นการเร้าร้อนในตัวเองบ้างเป็นการเสียดแทงเร่าร้อนเพราะใจไปยึดจิตในสิ่งเหล่านั้นบ้าง เรื่องของโลกจึงอาจจะเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของสัตว์เป็นเรื่องของสถานที่หรือเป็นเรื่องของกลุ่มขันธาตุอาญตตระเป็นต้นโลกต่อไปนั้นทรงแสดงว่าในเกณฑโลกสี่ก็เด่นไปที่อาหารทั้งสี่ประการคำว่าอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่นำผลมา ผลที่เกิดขึ้นจากการนามาของอาหารนั้นอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะพบว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นเมื่อมองโดยสรุปก็จะกลายเป็นเวทนาสามแต่ถ้ามองพิสดารก็อาจจะถึงเวทนาร้อยแปดก็ได้ แต่ก็มองให้เข้าใจง่ายก็มองไปที่เวทนาสามคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์และเฉยๆเนื่องจากเวทนาเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอาหารแล้วก็เป็นการแสดงเห็นได้ว่าอาหารบางอย่างนำทุกขเวทนามาสู่คนอาหารบางอย่างนำสุขเวทนามาให้อาหารบางอย่างนำอุทุกขมาสุขคือกลางๆมาให้ ทรงจำแนกแสดงอาหารที่เป็นปัจจัยของเวทนาแล้จะถยอยไปเป็นปัจจัยของตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอะไรก็ตามไว้เป็นสี่ประการด้วยกันประการแรกคือกระลิงการะลาหารอาหารที่บุคคลพึงดื่มพึงลิ้มพึงชิมพึงกลืนเข้าไปผ่านช่องปากเข้าไปพวกเหล่านี้ท่านเรียกว่าอาหารซึ่งเหน ว, ว่า สัตว์ทั้งหลายนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยอาหารแต่เรื่องของอาหารนี้เองได้สร้างปัญหาสารพัดให้เกิดขึ้นแก่โลกแก่สังคมบางครั้งมีความรุนแรงจนถึงกับเป็นสงครามเพราะอาหารเป็นเหตุก็มีนั้นหละกการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาพระเจ้าจึงทรงสอนไว้หลายขั้นตอนด้วยกัน ในขั้นตอนทั่วไปที่เรียกว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพราะยังไงยังไงเราก็ขาดอาหารไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ตกเป็นทาสของอาหารเ่านันไม่ว่าในช่วงของการแสวงหาในช่วงของการบริโภคใช้สอยในช่วงของการเก็บรักษา และแม้ในช่วงที่อาหารเราดันได้เปลี่ยนแปลงไปถึงตามปกติแล้วแต่ละจุดนั้นได้สร้างปัญหาสารพัดในช่วงของการแสวงหาถ้าบุคคลแสวงหาด้วยความเครียว่าจะไปบริโภคไปดื่มไปลิ้มไปชิมในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายเป็นการแสวงหาแล้วนำอันตรายมาสู่ตนเอง แต่บางอย่างถ้าเป็นการแสวงหาด้วยความโลภจัดมุ่งแต่จะได้ถ่ายเดียวไม่ได้มีความคิดคํานองหนึ่งการใคร่ครวญวินิจพิจารณา้วยเหตุด้วยผลว่าจะตายไปเพราะอาหารเป็นเหตุได้เช่นปลาติดเบ็ดเป็นต้นหรือว่าคนลงทุนทําความผิดเพราะอาหารเป็นเหตุเราแสดงเห็นว่าตัวการใหญ่นั้นอยู่ที่ความโลภ ที่มีมากเกินเหตุไปทําให้ทิศทางการสแสวงหาอาหารของบุคคลนั้นสับสนจะถึงออกมาในรูปของทุจริตและบางทีก็ไม่คิดถึงภัยอันต ร, รายที่จะเกิดขึ้นจากการสแสวงหาอาหารเป็นเหตุภาพข่าวเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏได้เห็นเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมอยู่ทุกวันแล้วทุกคนทุกแห่งเลยแต่การมองแบบ รูปพุทนั้นจะต้องมองสาวไปถึงต้นตอของปัญหาเหล่านั้นเราจะพบว่าอาหารเป็นเพียงตัวกระตุ้นเท่านั้นเองแต่ว่าตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมในทางที่เป็นอันตรายในด้านการแสวงหานั้นมันอยู่ที่กิเลสยู่ที่ความโลภจัดอยู่ที่ความหลงจัดหรือบางครั้งก็ดูที่ความโกรธแต่ความโกรธมักจะออกมาในรูปการทําลายมากกว่ารูปของการขล่อยควา ในช่วงของการบริโภคใช้สอยโดยหลักการปฏิบัติในสายกรรมฐานที่เรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือทรงสอนในบุคคลกำหนดหมายหเห็นความปฏิกูลของอาหารเพื่อจะถ่ายถอนความกำหนัดความเพลิดเพลินความอยากได้ในตัณหาเหล่านั้นลงไปใช่บ้างคือจะในชั้นของการแสวงหาก็จะโลภเกินไป ในชั้นของการบริโภคใช้สอยก็อย่าโลภเกินไปที่จริงทรงสั่งสอนไว้สามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือให้รู้จักประมาณในการบริโภคพัะตาอาหารคือไม่ได้เน้นไปว่าอาหารจะดีไม่ดีประนีดหรือไม่ประนีดแต่ว่าให้รู้จักประมาณในพัตตาอาหารคำสอนระดับนี้ถือว่าเป็นชั้นศีลที่ประนีด วันนี้มันสังเกตว่าศีลข้อที่หที่สมาทานกันงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการนั้นก็ไม่ได้เน้นไปในตัวรายละเอียดว่าจะพิจารณาเห็นอาหารว่าเป็นของปฏิกูลอะไรไม่ได้พิจารณาขนาดนั้นแต่เอาหยาบๆคืองดบริโภคใช้สักมื้อหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมีความเบาขึ้น แต่ทั้งจะเป็นการประหยัดทั้งจะไม่เพิ่มปัญหาในส่วนอื่นขึ้นมาแต่ว่าชั้นศีลที่ประณีตขึ้นไปก็สอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแม่มากเกินไปแม่น้อยเกินไปประมาณจึงมีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งเอาศีลเข้าคุมคือข้อศีลข้อวิกาชั้นที่สองเอาสติเข้าคุม คือตั้งใจระลึกดูว่าในการบริโภคอาหารบริโภคไปขนาดนี้แล้วพอหรือยังแต่เห็นว่าพอแล้วก็ควรจะหยุดบริโภคต่อไปว่าจะเป็นการดื่มการลิ้มการชิมหรือการรับประทานก็ตามคือสรุปว่าอาหารที่ผ่านเข้าไปทางลำคอนั้นจะต้องพิจารณาในลักษณะประมาณที่รู้จักประมาณไม่มากเกิน มีอยู่ในชั้นศีลได้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่มีความสําคัญมากอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าอาหารนั้นเป็นที่อาศัยของเราด้วยเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยในการดํารงชีวิตของบุคคลแม้แต่พระที่บวชเข้ามาพระพุทธเจ้าก็เริ่มสอนเรื่องอาหารเป็นข้อต้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันอาหารก็สร้างปัญหาให้สารพัดเหมือนกันอย่างในชั้นก็การมาเป็นเพียนทางจิต ซึ่งถือว่าเลยชั้นศีลไปแล้วแต่ถ้าอาหารไม่สับปายะคือขาดการได้ความสบายในด้านอาหารแทนที่จะนั่งสมาธิแล้วได้สมาธิก็จะหักไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกลายเป็นเรื่องอุปสรรคของสมาธิเช่นตา อ, อาหารมากเกินไปใ น, ในตอนที่รับใหม่รับประทานใหม่ก็จะกลายเป็นถีนมิถะคือง่วงเหงาหานอน เมื่อหันย่อยไปแล้วก็จะเป็นการะฉันท์คือไปกระตุ้นความรู้สึกในทางกามราคะเพิ่มขึนทีนี้ถ้าหานน้อยมากเกินไปในช่วงแรกก็จะกลายเป็นภุ้งสั้นหรืออุทจจะพอถูกโรคเสียดแทงเพราะความหิวมากขึ้นก็จะกลายเป็นกุ ก, กุจจะคือความรำคาญความหงุดหงิดแล้วถ้าแรงกว่านั้นก็กลายเป็นโทสัต ตกลงว่าอาหารมากไปก็มีปัญหาน้อยไปก็มีปัญหาก็สอนในระดับประมาณพอในชั้นที่สามเป็นการสอนให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารเพราะว่าชีวิตั้องขาดอาหารไม่ได้แต่อย่าให้เป็นเป็นปัญหาเพราะอาหารเราทรงสอนในถึงให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ท่านเรียกว่าอริยวง์ คือวงของพระอริยนั้นจะต้องใช้ปัญญาปีนิพิจารณาเรื่องอาหารกันอย่างนี้นั่นก็คือพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารว่าจริงๆแล้วนะ่ะบริโภคเพื่ออะไรก็จะเห็นว่าประเด็นหลักที่เป็นความต้องการจริงๆในการบริโภคอาหารก็คือเพื่อขจัดความหิวเก่าออกไปป้องกันความหิวให ม, ไม่ไหมฮะบังเกิดขึ้น ในขณะนั้นนั้นและให้ร่างกายมีความจัดเดินเติบโตมีเรี่ยวแรงมีกําลังประพฤติปฏิบัติความดีหรือทําหน้าที่ของตนได้ทรงใช้ได้สํานวนบาลีว่าเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อพรหมจักรคือเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ตนได้มีเรียวแรงกําลังในการบำเพ็ญความดีนี่ก็ถือว่าเป็นชั้นการดรํารงชีวิต แต่พอถึงชั้นที่ประณีตขึ้นไปกว่า น, นั้นเรียวกว่าเป็นชั้นของกรรมฐานเราศึกษาเรียนรู้ในแนวเดียวกันและในสิ่งเดียวกันแต่ก็เพิ่มปริมาณของสติสัมมาจัญญาความเพียรขึ้นไปอีกซึ่งว่าที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องทําได้ง่ายๆให้มองเห็นอาหารในสามสถานะในขณะที่เห็น คือมองหเห็นเป็นความปฏิกูลให้ได้เยก่อนถ้ามองในขณะที่กำลังร้อนกำลัมงมีกลิ่นหอมอยู่มันก็เห็นได้ยากต้องมองให้เห็นเป็นกระบวนของอาหารเหล่านั้นจึงเห็นว่าช่วงที่อาหารอํานวยประโยชน์ให้น่ารับประทานนั้นเป็นช่วงสั้นๆ น, น, นิดเดียวเท่านั้นเองช่วงก่อนจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเป็นช่วงที่อาหารแสดงความปฏิกูลให้ปรากฏเด่นชัดออกมา แล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อมองลึกลงไปก็จะเข้าสู่ดังที่กล่าวแล้วเรื่อง น, นั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยตัวแกแต่ละส่วนเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยแต่ละเหตุปัจจัยที่มาเกาะกลุ่มกันอยู่นั้นก็นํามารวบรวมกันไว้โดยเหตุปัจจัยคือเจตนาหรือความจงใจของคนแล้วคนเองก็อาศัยความรู้ ความเข้าใจที่จะปรุงรดปรุงกลิ่นปรุงสีของอาหารเหล่านั้นเมืกอก่าจะมาเป็นอาหารก็ได้แก่พวกสังขารที่เกาะกลุมกันซับซ้อนมากไปหรือเกินแต่ว่าจริงแล้วแกก็ดำรงอยู่เพียงชั่วขณะหรือ ท, ท่าบอกว่าดำรงอยู่ไม่ได้นานหรือดำรงอยู่ได้ยากที่จริงก็คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั่นเองแต่ท่านสอนให้มองในแง่ของทุกข์สัตว์ท่านก็ใช้คำว่าทนอยู่ไม่ได้หรือทนอยู่ได้ยาก ซึ่งันจริงก็เป็นลักษณะเดียวกับความไม่เที่ยงแต่วความไม่เที่ยงนั้นใช้คําว่าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้กับทนได้ยากกับแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันก็คือกันคือไม่อยู่ในสภาพเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยสภาพเดิมนี่เคยอยู่ที่เคยมีที่เคยเป็นก็คงอยู่ไม่ได้แต่ดูที่อาหารนั้นจะเห็นช่วงสั้นที่ออกจะชัดเจนง่ายกว่าไปดูที่ขันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งดูรูปกระขนาดนั้นดูยาก รูปประคันถูกปรุงแต่งไวสารพัดไปเครื่องส้ำอางเครื่องประทินผิวเครื่องประดับประดาต่างๆจะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยากแต่มาดูที่อาหารซึ mm hmm. ่งที่จริงก็คือรูปประคันแต่กลับเห็นได้ง่ายกว่าเพราะว่าแกขึ้นมาถึงจุดที่เรียกว่ากำลังหน้ารับประทาน จริงๆมึงสังเกตว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เราก็มีกันอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ได้ใช้ในแง่นั้นเท่านั้นเองเช่นเวลารับประทานอาหารก็จะเรียกว่าเอารีบมารับประทานอาหารเสียประเดี๋ยวของเยน็นปลกของเยน็นปลกไอศกรีมพวกน้ำแข็งบอกรีบปรับรับประทานเสียประเดียวจะละลายแสดงว่าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้กเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่ทําให้แกร้อนและแกก่อตัวขึ้นมาเป็นก้อน แต่ว่าแกก็คงสภาพเดิมแกไม่ได้แกต้องแปลแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะงั้นเราก็บอกร้องขานกันเดียแต่ก็จริงแล้วเราก็ทำเท่านั้นเองถ้าแกเกิดแกเกิดเย็นขึ้นมาก็ไปอุ่นเพื่อให้รู้สึกรับประทานอร่อยไอ้พวกของที่ละลายก็อาจจะเอาไปเข้าตู้เย็นไปเพื่อจะให้ก่อตัวขึ้นมาใหม่เป็นต้นนี่แสดงว่าถ้ามองเจาะจากจุดนั้นเอง พิจารณาเทียบเคียงดึงเข้ามาหาเราดึงเข้ามาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราและแม้แต่ตัวเราเองซึ่งเกิดขึ้นมาจากของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเมื่อสิ่งที่มาประกอบเป็นเรามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นที่สมมติว่าเราเองมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องแตกดับจะต้องสลายไปในที่สุด แล้วพอมองแล้วท่านจะให้พิจารณาในส า, สามประโยคด้วยกันสามคำด้วยกันว่านิสัตโตนิชโวสุนโยนิสัตโตก็คือไม่มีความเป็นสัต์นิชโวก็คือไม่มีชีวะไม่มีชีวิตจริงๆสุนโยก็คือว่างพอย่อยออกไปแล้วอาหารแต่ละชิ้นแต่ละคำนั้นก็กลายเป็นอนุปรมโนปไปนี่แสดงเห็นว่าสอนในแง่ของอนัตตา สอนครบทั้งใจลักเที่ยนัตตาที่อาหารแต่ละคํานั่นเองในตอนแรกๆเราก็มองเห็นถึงความเป็นทุกข์โดยสภาพของอาหารนั้นเพราะเป็นโลกโลกมันก็ต้องเป็นทุกข์แต่ในความเป็นทุกข์นั้นก็แสดงความเป็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงออกมาโดยการที่ร้อนแล้วกลับเป็นเย็นเย็นแล้วกลับเป็นร้อนแล้วก็กลับเป็นเย็นเย็นแล้วก็กลับเป็นบูดบูดแลกลับเป็นเสียเป็นต้น นี่ก็คือเรื่องของอาหารที่สอนในระดับของพิจารณาในชีวิตประจำวันทาไมจึงสอนกันแนวนี้ก็ต้องมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเพราะความกำหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายของบุคคลนั้นมันจะมีการกำหนดอยู่สองแนวแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกประการ แนวหนึ่ง้าเรียกว่ากําหนดโดยนิมิตคือเอากันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นหลังเป็นเรือนเป็นท่อนเป็นอันต่างๆเนี่ยเป็นบ้านเป็นเรือนไปเจนว่าคนนี้สวยบ้านนี้สวยรถนี้สวยถนนนี้สวยผ้านี้สวยคือเอากันทั้งผืนเลยนี้เรียกว่ากําหนดโดยนิมิตจะกําหนดให้เป็นประเทศเป็นประเทศก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรก็คงกําหนดแนวเป็นนิมิตอยู่นั่นเอง จะทําให้เกิดการข่อยคว้าปรารถนาเพื่อจะได้มาถือครองครอบครองสิ่งเหล่านั้นแล้วก็คว้ากันเรื่อยไปแต่แนวหนึ่งจะไม่กําหนดในแนวนั้นแต่จะกําหนดในแนวแยกออกไปเช่นคนจะกําหนดอวัยวะบางส่วนว่าสวยรถจะกําหนดสัดส่วนบางอย่างว่าสวยเรือนจะกําหนดสวนบางส่วนของเรือนเช่นชานเช่นหลังคาเช่น กระเบื้องปูเป็นเต้นเนี่ยว่าสวยคือไม่ได้ยอมรับว่าสวยทั้งหมดแต่ก็ยอมรับบางอย่างว่าสวยแต่ลักษณะเหล่านี้จะพบว่าดูแลแ้กระไรเราจะกําหนดอยู่เท่านั้นที่จริงไม่ใช่เท่านั้นมันจะกําหนดจากจุดที่ชอบไปในส่วนอื่นๆด้วยเช่นสมมติว่าชอบคนหนึ่งอาจจะชอบอะไรก็ตามชอบคําพูดก็ตาม แล้วไปเจอคนหนึ่งซึ่งพูดในลักษณะเดียวกันเราก็ชอบอีกก็ชอบไปได้เรื่อยๆพอมากำหนดในแนวไม่ชอบพยายามกำหนดในแนวนั้นเหมือนกันคือกับรวบถือไปเลยรู้แยกถือคนนี้ท่าทางหน้ามันไส้จริงแสดงว่ารวบไปหมดเลยแต่ว่ามองเฉพาะจุดท่าทางไม่ได้มองในส่วนอื่นไม่ได้มองที่คำพูดของเขา แต่ก็มองเขาทั้งคนจะบางคนก็จะกำหนดไปทั้งคนคนนี้ไม่ดีใช่ไม่ได้ถามว่าหยุดตรงนั้นหรือเปล่าไม่ได้หยุดเลยแต่เราจะไปรวบเอาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสถาบันจังหวัดภาคของเขาตลอดถึงเผ่าพันธ์ของเขานี่คือลักษณะของกิเลสที่แกแล่นไปที่จริงจากการกำหนดนั้นสองแนวอย่างที่ว่าแล้วหรือใ น, ในกรณีของการแยกถือนเหมือนกัน แยกกําหนดไม่น่าชอบไม่น่าพอใจขึ้นมาก็อาจจะแยกทักจุดสองจุดหนึ่งอาจจะประณีประนอมได้ถ้าแยกขนาดนั้นหรือเป็นมิตรกันได้ความรู้สึกก็จะไม่แรงแต่ถ้าไปแยกได้หลายจุดเข้าเวลาไปพบคนอื่นซึ่งมีลักษณะที่เราไม่ชอบเช่นเดียวกับคนที่เราไม่ชอบมาก่อนแอบความไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นนี่คือจุดที่มีปัญหาในชีวิตของคน จะกำหนดในแนวชอบแนวชังก็ตามในที่สุดจะออกมาเป็นเหมาโหลหรือเหมากันหมดเลยลักษณะเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่แปลกอะไรเพราะมือคนระดับสมัยพุทธกาลที่ถือว่าเป็นยุคของผู้มีบุญมาเกิดร่วมกันนั้นก็<อ>ก็มองกันแนวนั้นก็อมองเหมือนกับที่เรามองอยู่ในปัจจุบันเวลาพระทาไม่ดีก็อบอกว่าสมณะสักยบุตรเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เวลาพระรมดีเขก็เหมาหมดเหมือนกันสมณนะสั ก, กยบุตรดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราแสดงว่าการเหมานั้นการรวบถือนั้นเป็นการมองง่ายๆและเพิ่งสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนปัญญาก็จะสอนชําแรกแนวนี้เหมือนกันปัญญาเขาแบ่งมาเป็นสองฝ่ายคือมองในแง่ของความเกิดทั้งสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอุดยัตถกามินีปัญญา หือปัญญาที่มองทั้งระบบของการเกิดเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็ความปรากฏของสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าอาศัยความยึดถือกับความรวบถือดังที่กล่าวแล้วนั่นเองเพมันก็มองให้เห็นว่าที่มันเป็นอย่างที่ปรากฏนั้นที่จริงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกก่อนจะเป็นแก่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็อาศัยการเกาะกลุ่มประชุมกัน องเหตุปัจจัยต่างๆจะมีความเปลี่ยนแล้นที่สุดก็แยกเียกว น, นี้เบติกะปัญญาคือช ำ, ชำแหละออกไปแยกออกไปให้เหนมไม่มีอะไรก็สอนในแนวเห็นใจรักอยู่ทั้งหมดเพื่อย้อนกลับไปดูที่พวกอาหารซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินของบุคคลทั้งหลายให้เราสังเกตว่าบางอย่างถ้าเรามองเห็นเหตุปัจจัย ที่สืบเนื่องกันมาเช่นมาเรามากําหนัดที่ร่างกายตนเองร่างกายบุคคลอื่นแล้วก็มองดูคล้ายๆกับต้นไม้เช่นจะเป็นต้นมะเขือหรือต้นอะไรก็ตามแต่เราปลูกบนหลุมศพคนส่วนใหญ่จะไม่กล้ารับไปทานจะถามว่าทําไมเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ปลูกอยู่บนหลุมศพมันดูดซึมสิ่งปฏิกูลต่างๆม า, า, าจากซากศพ มีความเจริญเ ต, ติบโตผลใหญ่ดอกใหญ่ใบเขียวแต่่ใครไม่กล้ารับประทานก็แสดงว่าเรามองเชื่อมได้มองเชื่อมจากสิ่งปฏิกูลไปหาสิ่งที่ไม่ปฏิกูลโดยเห็นว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลแล้วก็รังเกียจขยะขยะงสิ่งนั้นทางการสอนพิจารณาอาหารตัวการใหญ่ก็ต้องการแก้ในความกำหนัดในรู ป, ปรธรรมก็เรียกว่าในคนในตนเองในคนอื่นนั่นเอง ตัวตุการใหญ่ก็อยู่ตรงนี้มีความกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระของกันด้กันเึ่งความกำหนัดโดยความกำหนดในแนวนี้ก็เป็นธรรมชาติของจิตแะการเหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ว่าพระองค์เองไม่ได้มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอันใด ที่เกิดขึ้นแล้วครอบงําใจของผู้ชายได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ของสตรีในระหว่าง น, นองตรงกันขํามพระองค์ก็ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงําใจของสตรีได้มากกว่ารูปรถกลิ่นเสียงของบุรุษนี่คือโลกแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดความขัดเกืองความลุ่มหลงความมัวเมาสารพัดการยื้อแย้งการต่อสู้ปราดประหารทุม่มเท ชีวิตพักพวกฆ่าธาตุปริวารลงไปเพื่อใต้ทั้งสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ทรงสอนให้ดูว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากอาหารซึ่งมีความปฏิกูลในตัวของมันก็มาสอนเรื่องกรรมฐานระดับอาหารเดปฏิกูลสัญญาที่มองเห็นความปฏิกูลแห่งอาหารซึ่งเป็นปัใจจัยให้เกิดเป็นกายที่กําหนดกันว่าสวย ง, งามน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจที่จริงมันก็คือคือกับต้นไม้ที่ปลูกบนลงศพบนหลุมศพ แต่ดูตรงนั้นก็ไม่เคยเห็นเท่าไหร่หรอกแต่ดูไปข้างล่างที่จริงแล้วความเจริญเติบโตของสิ่งนั้นก็เกิดมาจากโลหิตก็สอนในพิจารณาอาหารโดยวิธีการต่างๆซึ่งก็จริงจริงแล้วก็มุ่งจะขจัดความกําหนัดนั่นเองความกําหนัดในกายตนและในกายบุคคลอื่นแต่ในเชิงของการปฏิบัติเป็สังเกตว่าไม่ใช่เป้าใหญ่คือจะต้องบรรลุปเป้าใหญ่เสมอไป แต่ธรรมะปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นจะอำนวยผลแก่ผู้ปฏิบัติในชั้นนั้นๆได้มาเรื่อยไปยในกรณีของการพินิจพิจารณาตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือให้รู้ให้รู้จักงดเว้นการรับประทานอาหารเสียบ้างในก้อสิน ข, ข้อวิกาละโภคข้อนี้เพื่นสังเกตว่าคนรุ่นก่อนนั้นแม้จะเกี่ยวข้องกับเมตุนธรรม มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเป็นปกติก็ตามแต่ถ้าเรามองถึงหลักการปฏิบัติของท่านวันพระวันโกนท่านหยุดวันเกิดตัวเองวันเกิดพ่อแม่วันตายพ่อแม่วันเกิดของพันดาสามีก็หยุดกิจกรรมที่เกี่ยวกับโลเกียธรรมเหล่านั้นเพราะนั้นทำให้จิตใจของท่านมีความผ่องใส ความตึกนึกของท่านแทน ท, นที่จะหนักไปทางกรารมวิตรุกมันก็ตึกนึกในหนักไปในทางเนคขมวิตรุกคือที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนออกไปจากกรารมอาการที่มันจางคลายลงไปไม่ว่าจะจางคลายในจุดใดก็ตามมันจะช่วยในจุดอื่นแต่ต้องจางคลายด้วยกรรมวิธีของธรรมะไม่จะไปจางคลายด้วยวิธีที่ผิดกฎของธรรมะเพราะถ้าไปใช้วิธีที่ผิดหลักอย่างที่ ประเทศจีนใช้วิธีขันทีเราจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นลดกิเลสแต่ก็เหมือนกับไปทดน้ำคือปิดน้ำจากสายหนึ่งไม่ให้ไหลออกไปแต่น้ำก็ยังอยู่ในนั้นเองในสุดแกก็ยอ้อนล้ลนขึ้นไปเอ่อใน่วนอื่นๆเพราะงั้นพวกขันทีออกมาในทางเพศไม่ได้จึงออกมาในทางลาบทางยศทางอำนาจทางบริวารพรานั้นเป็นอะไรก็เป็นกามเหมือนกัน เป็นวัตถุกรรมเช่นเดียวกับเรื่องความต้องการทางเพศของบุคคลในสุดพวกนี้สร้างปัญหาได้รุนแรงมากล้างผลาญสร้างความิบัติเดิดร้อนให้ไม่รู้สั ก, กี่ยุกกี่สมัยจนถึงกระพะนางสุสีไทยเราต้องบอกว่าเมืองจีนถ้าจะให้อยู่รอดต้องเลิกระบบทันทีนี่คือวิธีแก้ที่ผิดหลักแต่ของพระพุทธเจ้าจะพยายามลดเรื่องของกามลงไปโดยดั่งดับ ให้รักษาศีลข้อพิการลโภชนาให้พิจารณาอาหารในรู้จักรมาในการรับประทานอาหารให้มองเห็นความปฏิกูลของอาหารและจะถ่ายถอนการไขว้พราธนาอาหารที่ประนีตราคาแพงๆลงไปในชั้นของการดำรงชีวิตจึงเป็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของตัวเองไม่ใช่ใจ่ายฟุ่งเฟยมากจนเกินเหตุจนสร้างปัญหาให้ อย่างที่ประสบพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันวันธรรมะปฏิบัติจึงอำนวยผลแก่ผู้ปร ะ, ประพฤติปฏิบัติทุกขั้นตอนที่เขาสามารถสัมผั ส, ผ, ส ผ, ลผลได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามแต่เทนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป